16 สัทธิวิหาริกวัตกถาว่าด้วยสัทธิวิหาริกวัตรภิกษุทั้งหลายอุปัชฌาโอวาทและอนุสาส อุบาสาพึงถวายบาตรแก่สัททิวิหาริกหรือพึง ถ้าอุปชามีบริขารสัทธิวิหาริกไม่มีบริขารอุปชาพึงถวายบริขารแก่หรือพึงทำการขวนขวายว่าด้วยอุบายอย่างไร เมื่อสัตถิวิหาริกฉันก็ต้มเสร็จแล้วพึงถวายน้ํารับภาชนะมา ปูอาสนะไว้โดยกําหนดว่าเวลาเพียงเท่านี้สัตธิวิหาริกจักกลับมาพึงเตรียมน้ําล้าง ตั้งใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับใจว่าตรงกลางจะได้ไม่มีรอยพับพึงม้วนประคดเอวใส่ขนอดจีวรถ้าบิณฑบาตมีและสัตถิวิหาริกต้องการจะฉัน พึงเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลําใต้ พึงยกอาสนะเก็บถ้าที่นั้นรกเก็บน้ำล้างเท้าตั้งรองเท้ากระบึงเช็ดเท้าถ้า ถวายตังค์สำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางณที่สมควรพึงจึงเข้าเรือนไฟไม่อาสนะพระนวกะพึงทำ จึงออกจากเรือนไฟออกจากเรือนไฟพึงทำบริการแก่สัตถิวิหาริกแม้ในน้ำตน ถ้าที่วิหารเล็กอยู่ในวิหารก่อนวางไว้ณที่สมควรพึงขนผ้าปูนั่ง ขนออกกระโถนพนักพิงพึงขนออกมาวางไว้ณที่ ถ้าเป็นพื้นไม่ได้ทาพึงใช้น้ําประพรมแดดชํระตบขนกลับปูไว้ตามแดดเช็ดขนเตียงตั่งพึงผึ่งแดดชํระ ไม้กระทบบานประตูและฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนนั่งผ้าแดดชํระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิมกระโถนพนักพิงพึ่งพิงแดดเช็ดถูขนกลับวางไว้ตามเดิม จึงเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรอง พึงปิดหน้าต่างถ้าเป็นฤดูหนาวเหนือถ้าพัดมาทางทิศใต้พึงปิดรกพึงปัดกวาด ถ้าหม้อน้ำชำระไม่มีน้ำพึงหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ อุปัชฌาย์พึงให้สละเสียหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยให้สละเสียหรือพึงแสดงธรรมกถาแก่ ด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์พึงชักสัทธิวิหาริกเข้าหาอารามเดิมถ้าสัทธิวิหาริก คือตัชนียกรรมนิยสกรรมปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเขปนิยกรรมแก่หรือพึงเปลี่ยนไปเป็นโทษเบาหรือว่าสัตถิวิหาริกได้ถูกสงฆ์ลงตัชนียกรรม รอุคเลปนิยกรรมแล้วอุปชาพึงทําการขนขวายว่าด้วยอุบายอย่าง ถ้าจีวรของสัตถิวิหาริกจะต้องตัดเย็บใครๆพึง ถ้าชีวรของสัตถิวิหาริกจะต้องย้อมอุปชาพึงบอกว่าพึงย้อมอย่างนี้หรือพึงทําการ คือรอจนกว่าสัทธิวิหาริกนั้นจะหายจบ 17 ปนามิตกถาว่าด้วยการประนามสมัยนั้นพวกสัทธิวิหาริกไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌาทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้ แล้วทรงสอบถามนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ภิกษุทั้งหลายไฉนพวกสัทธิวิหาริกจึงไม่ประพฤติชอบในอุปัชฌาย์ทั้งหลายเล่าครั้นทรงตำหนิแล้วว่าภิกษุทั้งหลายสัทธิวิหาริกจะไม่ในอุปัชฌาย์ไม่ได้รูปใดเรื่องทรง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้เราอนุญาตให้ประณามสัตถิวิหาริกผู้ก็อุปจาพึงประณามสัตถิวิหาริกหรือเธออย่าหรือ เธอไม่ต้องอุปถากฉันอุปชาให้สัตถิวิหาริกรู้เรื่องกายให้รู้เรื่องวาจาหรือ สัทธิวิหาริกทั้งหลายถูกประณามแล้วก็ยัง พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสัทธิวิหาริกถูกประณามแล้วจะ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปัชฌาย์รับการขอขมาอุปัชฌาย์ทั้งหลายก็ยังไม่ รูปใดไม่รับการขอขมาชอบไม่ประณามสัทธิวิหาริกผู้ประพฤติมิ อุปชาไม่พึงประณามอุปชาจะไม่ประนามไม่ได้ใดองค์แห่งการประนามต้องอาบัติทุก 5 คือ 1 2 ไม่มีความเลื่อมใส in 3 ไม่มี 1, 1. มีความรักอย่างยิ่งในอุปชา 2 มี 3 มี 4 มีความ anyway. 5 มีความหวังดีอย่างยิ่งใน 5 เหล่านี้ภิกษุทั้งหลาย ควรที่จะถูกประณามคือ 1, 1. ไม่มี สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ 5 มีควรที่จะถูก 1 มี e 2 มี 3 มี 4 มีความเคารพอย่างยิ่งใน ภิกษุทั้งหลายทั้งหลายสัตทิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ 5 เมื่อ สัทธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ 5 เหล่านี้เมื่ออุปชาไม่ประนามย่อมมีโทษเมื่อประนามย่อมไม่ 4 มีความเคารพอย่างยิ่งในอุปัชฌาย์ 5 มี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 ทำไมพราหมณ์ผู้นั้น ลัมดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครระลึก พราหมณ์นั้นได้ถวาย พิksา ทัพพี 1 ข้าพระองค์ระลึกความดีนี้ของพราหมณ์นั้นได้พระพุทธเจ้าข้าดีละดีละสารีบุตรจริงอยู่สัตบุรุษทั้งหลายเป็นผู้กตัญญูกตเวทีสารีบุตรถ้า จะอุปสมบท ภิกษุทั้งหลายทรงพึงให้อุปสมบทอย่างด้วยยัตติจตุตถกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอทรงทูลฟังข้าพเจ้าผู้นี้มี แม้ครั้งที่ 2 ข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าผู้นี้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปขะของท่านผู้มีชื่อนี้ทรงให้ผู้มีชื่อนี้อุปสมบทมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็นอุปัชฌาย์ท่านรูปใดเห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่ 3 ข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าผู้นี้มีชื่อ ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงผู้มี อาวุโสท่านอย่าได้กระทําอย่างนั้นเพราะการกระทําอย่างนั้นไม่ควรภิกษุ ภิกษุรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฏภิกษุทั้งหลาย กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย แน่งกระยohนประนมมือ ท่านผู้เจริญ เขาเพ��เจ้าขอการอุปสมบตต่อสง ขอสงปลดอานุคระ ยกเขาเพ��เจ้าขึ้นเธอเจ้าค่า พึ Kardash кор乡 Ecoarn Wisconsin, Women ที่สามารถพึ่งประการให้สงสาพ ด้วยquinhoติจะถุ่นกระกรรมματαาจาว่า ท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าผู้นี้มีชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปขะของ ผู้มีชื่อนี้ขออุปสมบทต่อสงฆ์มีท่าน แม้ครั้งที่ 3 ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ผู้มีชื่อนี้ทรงให้อุปสมบทแล้วมีท่านผู้มีชื่อนี้เป็น พระสมณะเชื้อสายสักขยบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภค บัดภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราจักไปบิณฑบาตกันภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าผมไม่ได้บวชก็ท่านบวชเพราะเหตุแห่งปากใช่ขอรับบรรดาภิกษุ ฉะนั้นภิกษุจึงได้โบสในพระธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้เพราะเหตุแห่งปากท้องเล่าแล้วค่ะ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 เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ให้อุปสมบทบอกนิสัย 4 คือนิสัย 4 1 บรรพชาอาศัยโภชนะคือขําข้าวที่พึงได้ด้วย อุปโสธิกะภัตปาติปะติกะภัต 2 บันปชาอาศัยผ้าบางสกุลเธอพึงทำอุตสาหะในผ้าบางสกุลนั้นจนตลอดชีวิตอติเรกลาภคือผ้าเปลือกไม้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านผ้าเจือกัน 3 บันปชาอาศัยเสนาสนะคือขวงไม้เธอพึงทำอุตสาหะในเสนาสนะ อติเรกลาภคือวิหารเรือนมุงแถบเดียวปราสาทเรือนโล้นถ้ำ 4 บรรพชาอาศัยยาคือน้ำมูล 5 จบปณามิตตกถาจบ